อาชาวนี้ก็ข อ, อนิมนต์อาจารย์สมใจอะะแททาแสดงธรรมด้วยก็กราบบูชาปรารถนรัยกราบบูชาครูบ า, าอาจารย์าั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อกำเขียนถวายความรกรมายังพระอาจารย์ไพศาลพระอาจารย์สงสินพระอาจารย์ออสโกกาสพันเตเพื่อนสัตตมิกเจริญพรมายัางคุณแม่ชีแล้วก็ นักปฏิบัติตามทุกท่านอ่ะก็นั่งกันตามปกติเนะาะเมื่อคืนคงหลับสบายดีนะฝนตกประมาณสัก5้าทุ่มอากาศก็เย็นสบายเนาะเช้าวันนี้นถ้าใครยังง่วงๆก็พยายามปลุกตัวเองตื่นนิดนึงเนาะทำวัดสดมนก็เป็นการปลุกใจนะปลุกตัวเองนะให้ตื่นนะตื่นจากความหลับ เนะตื่นจากความหลงนะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเราสามารถที่จะทำขึ้นมาได้ก็ได้มีโอกาส อ, อ, อ่านหนังสือนะของท่านอาจารย์พุทธทาสนะมีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งน่าสนใจนะท่านบอกว่าคนกััตร์เนี่ยนะมันเหมือนกันเนี่ยนะที่เรียกว่าสัญชาตญาณเนี่ยมันมีอยู่สีอย่าง นะการกินการนอนการสืบพันธุ์แล้วก็การกลัวภยัยนะตรงนี้เป็นสิ่งที่ไม่ว่าคนหรือสัตวนะ์จะมีเหมือนกันนะเรียกว่าเป็นสัญชาติญาณแต่คนจะต่างจากสัตว์ตรงที่เรามีธรรมะนะมีธรรมะทำให้เราแตกต่างจากสัตว์เรามาดูเรื่องสัญชาติญาณสัญชาติญาณของคนเราเนี่ย หรือ <c oughs> ของสัตว์เนี่ยนะการกินนะอันนี้ก็เพื่อที่จะให้ร่างกายให้ชีวิตเราสามารถที่จำดำดรงอยู่ได้นะการนอนนะเราทำงาน <c oughs> เหนื่อยทำงานหนักหนะก็มีการพักผ่อนะการสืบพันธุ์ก็เพื่อให้มีเผ่าพันธุนะ์สืบต่อไปนะทั้งคนทั้งสัตว์ก็ <c oughs> เป็นสัญญาณ ในการที่จะมีเผ่าพันธุ์ต่อไปการกลัวภัย น, นี่ก็เป็นการป้องกันตัวเมื่อมีภัยเข้ามาคุกคามไม่ว่าจะเป็นภัยภายนอกนก็อาจจะเป็นการาจากคนอื่ น, นหรือว่าอย่างสัตว์ก็สัตว์ตัวอื่ น, นมันก็จะพยายามป้องกันตัวมันเองนคนเราก็เหมือนกั น, นโดยสัญชาตญาณเนี่ยมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไร นะสำหรับคนเราก็ดีหรือบางทีอย่างสัตว์ก็ดนะีกินพอดีอยู่พอดนะีเคยสังเกตนะเคยสังเกตพวกนกก็ดีพวกแมวก็ดีพวกหมาก็ดนะีมันกินอิ่มเสร็จมันก็นอนสบายนะนอนเล่นสบายๆนะเรียกว่ามันกินพอดีของมันแต่คนเราเนี่ยนะถ้าเราไม่รู้เท่าทันในเรื่องเรื่องการกินเรื่องเดียวเนี่ยนะโอ้มันเป็นปัญหา นะซึ่งตรงนี้มันมีสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่สัญชาตญาณ น, นะนะมันเป็นสิ่งที่เกินสัญชาตญาณก็คือความที่เราจดจำได้หมายรู้อาหารอร่อยๆนะเราก็จะจำนะแล้วเราก็จะกินกินจนมากเกินไปนะทำให้เกิดโครคภัยไข้เจ็บนะซึ่งปัจจุบันนี้นะเจนได้ว่าคนเป็นโรคเพราะการกินเนี่ยนะส่วนใหญ่นะี่นะโรคมันมาจากการกินน กินมากเกินไปเช่นมีไขมันมากเกินไปมีน้ำตาลมากเกินไปนะหรือบางทีกินไม่บรรยะบัญยั่งนะวันหนึ่งกินสี่มือห้ามือบางทีดึกๆยังมีข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยนะตรงนี้มันเลยทำให้การกินของเรามันเกินนะเกินเกินกว่าการที่จะมีชีวิตอยู่รอดนะตัวที่มันทำให้เกินเนี่ยนะเราเราก็เรียกมันว่าเป็นกิเลสกันลวกัน นะเป็นสิ่งที่ชักนํานะซึ่งกิเลสมันเกิดขึ้นจากการที่เราหลงะเราไม่รู้ความจริงนะว่าร่างกายเนี่ยนะมันต้องการแค่ไหนนะมันเพียงพอแค่ไหนนะถึงกับบางคนในโอ้ลงทุนเลยนะบินกินข้าวเช้าที่เมืองไทยบินไปกินข้าวกลางวันที่ฮ่องกงเนะดี๋ยนี้เครื่องบินมันสะดวกเนี่ยใช่ไหมตอนเย็นก็อาจจะ ไปอีกที่หนึ่งนะเรียกว่าเราต้องเน็ตเรียกว่าต้องต้องดิ้นรนนะดิ้นรนในการที่จะทําให้การกินของเรานะมันมันได้ตอบสนองนะเป็นความพึงพอใจนะซึ่งตรงเนี้ยนะเป็นส่วนเรียกว่าเป็นส่วนเกินก็ได้นะเป็นส่วนเกินที่ทําให้ชีวิตของเราต้องเรียกว่าต้องเหน็ดเหนื่อยแต่ว่าเราไม่รู้สึกตัวนะว่ามันมัน มันเหน็ดเหนื่อยนะคนโดยทั่วไปก็จะเห็นว่าโอ้มันเป็นเรื่องที่จะต้องไปแสวงหานะไปดิ้นรนนะแล้วก็เสียเงินเสียทองมากมายนะตรงนี้มันก็ส่งผลให้เราจะต้องหาเงินมากขึ้นนะจะต้องเดินทางมากขึ้นนะซึ่งตรงนีนะ้ก็เรียกว่าเป็นการทำลายสุขภาพทำลายตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวนะตรงนี้ก็เพราะเกิดขึ้นจากความหลงนั่นเอง นะเราไม่หลงเราทำเกินสัญชาตญาณไปนะการนอนก็เหมือนกันนะจริงๆเรานอนเพียงแค่จะได้พักผ่อนร่างกายจิตใจของเรานะให้มันได้พักบ้างนะหลังจากที่เราตรักตมทำงานในช่วงกลางวันนะกลางคืนเราก็นอนนะก็นอนไม่ต้องมากหรอก6ชั่วโมง8ชั่วโมงนะก็พอละ แต่นี้บางทีเราก็เรียกว่าเพลิเพลินนะเนาะอยากจะนอนนะนอนเนี่ยจริงๆบางคนนอนได้ทั้งวันเลยนะนอนได้ไม่อิ่มนะการนอนเนี่ยก็บอกเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่รู้จักอิ่มนะสิ่งที่ไม่อิ่มมีอยู่3ามอย่างใช่ไห ม, ไ ม, ม, มานะการนอนนะการเเสพกามนะแล้วก็ความอยากที่เป็นตันหานะความอยากสามอย่างเนี้ยเรียกว่าไม่รู้จักอิ่ม เพราะนั้นสังเกติเวลาเรานอนยิมก็นอนได้เรื่อยๆอะนะครับบางทีก็อยู่ว่างๆไม่มีอะไรทําก็นอนนะอย่างพวกทําการทํางานวันเสาร์วันอ า, าทิตย์อย่างเงี้ยไม่มีอะไรทำก็นอนแต่ถ้านอนมากๆสังเกตไหมมันจะซึมๆ ม, มันจะไม่ค่อยตื่นตัวนะมันจะไม่ค่อยปลอดโปร่งนะถ้าเรานอนพอเหมาะพอดี6ชั่วโมง8ชั่วโมงหรือบางคนอาจจะแค่4ชั่วโมงนะนักปฏิบัตินะ ก็มีความตื่นตัวนะทําให้เรามีความเรียกว่าตื่นตัวในการที่จะทําการทํางานในการที่จะมาฝึกฝนอบรมตัวเราเองนะเรียกว่าไม่เห็นกับการนอนอย่างลรามาอยู่วัดป่าสุกโตเนี่ยนะก็นอนธรรมดาธๆนะไม่มีไม่มีฟูกไม่มีเบานะนอนกับพื้นกระดานนะตรงนี้เราก็เพียงแค่นอนให้มัน ได้พักผ่อนนั้นนั่นเองนะทีนี้ถ้าเราไม่รู้ทันนะเราก็ไปหลงนะเรียกว่าเป็นกิเลสชนิดหนึ่งเหมือนกันนะทําให้เรานอนเกินไปก็ซึมนะแล้วก็มันเพราะนิสัยนะที่ขี้เกียจขี้ค้านไม่อยากทําการทํางานนะคือรักสบายไปนะอันนี้ไม่พูดถึงกรณีที่เจ็บป่วยนะเจ็บป่วยจําเป็นนะต้องต้องนอนพักผ่อนะเพื่อให้ร่างกายมันได้ ฟื้นตัวมันเองนะในขณะที่นอนเนี่ยร่างกายมันก็จะซ่อมแซมนะส่วนที่สึกกรอนะในทางการแพทย์เขบอกว่าไม่ควรนอนเกินสี่ทุ่มนะสี่ทุ่มเนี่ยเป็นเวลาที่ร่างกายเขาจะซ่อมแซมนะแล้วก็มีสารที่จะช่วยในการซ่อมแซมร่างกายของเรามันออกมาถ้าเรานอนดึกมากนะนอนเที่ยงคืนนอนตีหนะึ่งตีสองอย่างคนในเมืองส่วนใหญ่นะ จะเป็นอย่างนั้นนะตรงนี้บางทีก็ตื่นมามันก็ไม่ค่อยสดชื่ น, มนไม่ค่อยปลดปลงนะบางทีมันก็เหมยากับมันนอนไม่อิ่มอะไรอย่างนั้นนะมันก็มีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเวลากลางกลางคืนเนี่ยเป็นเวลานอนนะแต่เวลากลางวันเป็นเวลาที่เราตื่นสังเกตดูคนที่ทํางานกลางคืนแล้วนอนกลางวันเนี่ยนะส่วนใหญ่หน้าตาเนี่ยจะไม่ค่อยสดชื่นอะไรสังเกตง่ายๆพวก พนักงานกับรถรถทัวร์อะไรทั้งหลายเนี่ยนะดูหน้าตาไม่ค่อยจะสดชื่นแล้วก็แก่วัยนะทีนี้ถ้าเรานอนหัวค่ำนะเราตื่นแต่หัวรุ่งนะอย่างเช่นเรามาอยู่ที่วัดป่าสุกโตเนี่ยนะเรียกว่าเรานอนแต่หัวค่ําไม่เกินสามทุ่มนะแล้วก็นอนกันละตื่นมาตีสามนะมาสูดอากาศนะที่สดชื่นนะแล้วก็มาบริหารปอด นะด้วยการสดมนนะนี้ก็ถือว่าเป็นการบริหารกายบริหารใจไปพร้อมกันนะซึ่งตรงนี้ก็เป็ น, ปนการพัฒนานะในส่วนของกายนะเรียกว่ากายอภวนาก็ไดนะ้อันนี้ก็เป็นส่วนที่สองนะส่วนที่สามเรื่องการสืบพันธ์อันะนี้ก็เป็นเรื่องของออคนในสังคมนะที่จะมีเผ่าพันธ์ต่อไปนะซึ่งตรงนี้ก็ เป็นสิ่งหนึ่งถ้าทําไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดความาร้าวฉานในครอบครัวนะอย่างเดี๋ยวนี้เนี่ยนะส่วนใหญ่ก็ เ, เรียกว่าไม่ได้ทําเพื่อจุดประสงค์อันนี้ไปทําเพื่อความสนุกสนานความอริดอร่อยนะที่เรียกว่าเป็นเพศรสนะซึ่งนิาจา์พุทธทาสได้พูดไว้ในหนะังสือคารวัตธรรมนะมันติดอกติดใจนะซึ่งตรงเนี้ย เขาเรียกว่ารางวัลนะที่ธรรมชาติเนี่ยให้เราต้องทำสิ่งนี้แต่เพราะความที่มนุษย์เราไม่รู้เราไปหลงในในรสชาติตรงนี้นะก็เลยบางทีก็ไม่รับผิดชอบนะเกิดคดีขมขืนกันขึ้นมานะอย่างเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยนะที่เขาบอกวัยรุ่นมีสี่คนนะหลอกลวงนักศึกษาพานิชนะอายุ19ปีนะไป เรียกว่าไปข่มคืนกันจนถึงตายนะซึ่งโอ้มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะอันนี้คือเป็นเรื่องของการที่ไม่ไปหลงนะไปหลงในรสชาตินะที่ธรรมชาติเขาเให้เราทำเพื่อที่ให้มีเผ่าพันธุ์เพระาะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดเรียกวัฒนธรรมการแต่งงานการมีชีวิตเป็นคู่ครองนะอันนี้สำหรับคนในในสังคมนะ แต่อย่างพวกเราที่มาอยู่วัดป่าสุกโตเรื่องนี้เราก็ตัดไปเลยเรียกว่าเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยสบายเรียกว่าถือบวชไม่ได้ยุ่งไม่เกี่ยวข้องกันเดี๋ยเพราะอย่างยิ่งญาติโยมที่มาอยู่วัดถือศีลแปดข้ออัภัมจาริยาก็คือไม่ยุ่งไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ตัดขาดไปตรงนี้ก็จะทําให้ชีวิตของเราอิสระขึ้นเบาขึ้นปลอดโปร่งขึ้น นะสบายขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนที่สามส่วนที่สี่ก็คือความโกรธภัยอันนี้มันเป็นสัญชตัตยานของการที่จะเอาชีวิตรอดนะคนเราเนี่ยบางทีมันก็มีภัยนะภัยจากอ า, อ, าอากาศบ้างนะอย่างเช่นอากาศมันหนานะวเราก็พยายามที่จะใช้เครื่องนุ่งห่มนะหรือว่าพายุนะ เป็นสิ่งที่อาจจะมานะเป็นบางครั้งเราก็หาทางป้องกันซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเรามีการพยากรณ์อากาศนะก็ทำให้เราเตรียมตัวนะอันนี้เป็นภัยจากภายนอกทีนี้ภัยในภายในเราก็มนะีก็คือความคิดปรุงแต่งของเราเนี่ยนะที่มันจะทำให้เรามีความกลัวอย่างมาวัดป่าสุขกโตเนี่ยคนที่มาใหม่ๆนะจะกลัวความมืดกลัวผนะีมีบางคนก็ เคยมาพูดให้ฟังบอกที่สุขโตเนี่ยผีมันดูไหมวะนะพวกมาปฏิบัติบอกไม่มีแล้วนะส่วนใหญ่ก็ความคิดเราคิดไปเองอ่ะแหละนะจริงๆอันนี้เป็นความคิดนะความคิดที่มันหลอกเรานะเราไม่รู้ทันเพราะนั้นตรงนี้เนะี่ยเราต้องอาศัยนะการฝึกฝนอบรมตัวเราเองนะเรียกว่าพัฒนาสติปัญญานะให้รู้เท่าทัน แล้วเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยความกลัวชนิดนี้เนี่ยมันอยู่ในจิตในใจมันเป็นสัญชาติญาณของการที่จะเอาตัวรอดนะบางคนเนี่กลัวสิ่งที่มองไม่เห็นนะอย่างเช่นผีอย่างเงี้ยนะหรือบางคนกลัวอะไรกลัวทุกแกอย่างเงี้ยมีนะกลัวทุกแกกลัวกิ้งกือนะกลัวสัตว์อาไส้เดือนนะหรือกว้งงูนะซึ่งอันนี้ความกลัวชนิดนี้มันก็เป็นธรรมดานะที่เราจะทางเอาตัวรอด แต่บางทีเราก็วิตกกังวลมากเกินไปกลัวอนาคตนะจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้นะบางทีบางคนนะเพิ่งเรียนจบใหม่นะก็กังวลมาเอ๊จะได้งานทำไหมจะไปทํางานที่ไหนนะก็วิตกกังวลไปนะหรืออย่าง เ, เราลับข่าวสารต่งตางๆออกมานะบอกว่าจะเกิด อ, อ, อุบัติเหตุ นะจะมีภัยธรรมชาตนะิจะมีการทำสงครามกันอะไรกันอย่างนีนะ้ซึ่งตรงนี้มันก็ทำให้เราเกิดพิตกของบนขึ้นมาเรียกว่ากลัวเกินเหตนะุบางทีก็ไปมองคนอื่นนะโดยที่มองเขาในแง่ร้ายนะกลัวว่าเขาจะมาทำร้ายเรานะซึ่งตรงนี้เนี่ยแต่บางทีเราก็กลัวจนเกินไปนะบางทีกลัวกลัวหิวก็มี นี้ก็มีกลัวหิวกลัวกินไม่อิ่มนะกลัวต่างๆ น, น, นานานี่ก็เป็นสัญชาติญาณทีนี้ถ้าเราไม่มี <c oughs> สติไม่มีปัญญาน่าเรียกว่าไม่มีปัญญาญาณเนี่ยน่เราก็จะทุกข์กับเรื่องเหล่าเนี้นะสัญชาติญาณที่มันมีโดยโดยโด ย, โดยธรรมชาติน่มันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เราต้องไปทุกข์กับมันเพราะฉะนั้นการที่เราจะ เรียกว่าออกจากความทุกข์เนื่องจากการไม่รู้เหล่านี้เนี่ยะจําเป็นที่จะต้องอาศัยปัญญายาณซึ่งปัญญายาณในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการนึกคิดปรุงแต่งแต่เกิดจากการที่เราเรียนรู้นสัญญาตยานเหล่านี้จะเป็นการกินก็ดีการนอนก็ดีการสืบพันเลยนี้พูดถึงชาวบ้านนะแล้วก็ความกลัวก็ดี เราต้องเรียนรู้มันแล้วก็ปรับให้มันพอเหมาะพอดีให้มันสมดุลเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะจำเป็นที่เราจะต้องอาศัยการสังเกตกินขนาดไหนพอเหมาะพอดีเพราะฉะนั้นจึงมีหลักเรียกว่าโพชเนมตัญยุต e าใช่ไการ เ, าเรียกว่าประมาณในการบริโภคไม่กินในสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายนะอย่างเช่น สุรายาเมายาเสพติดนะอันนี้เราก็หลีกเลี่ยงไปเลยนะหรือบางทีก็การากินในปริมาณที่มากเกินไปนะเพราะว่าติดในรสชาตนะิอย่างเช่นเดี๋ยวนี้โฆษณากันเยอะๆนะอของที่มีไขมันมากๆน้ำตาลเยอะๆนะพวกเครื่องดื่มทั้งหลายสังเกตดูเถอะส่วนใหญ่น้ำตาลมากเพราะนั้นจึงบอกคนไทยเนะป็นโรคเบาหวานเยอะ เป็นโครคไขมันอุดตันมากเพราะการกินนี่เองเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะก็ต้องจำเป็นจะต้องมีหรือว่าประมาณในการบริโภคนะอย่างเราอยู่ที่ที่นีนะ่เราก็กินแค่หนึ่งเวลาสองเวลาเท่านั้นเองนะเวลาเย็นเราก็ปล่อยให้ร่างกายเขาได้พักผ่อนะได้ฟื้นตัวนะซึ่งตรงนีนะ้ถ้าคนนี้ไม่คุ้นเคยนะคนนี้มาใหม่ นะก็อาจาจะรู้สึกหิวนะแต่ถ้าเราลองปรับตัวสักพักหนึ่งนะเราจะรู้สึกสบายเลยตัวเราเบาสบายสุขภาพก็ดีด้วยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าใครเคยได้ติดตามหนังสือของหมอญี่ปุ่นนะก็บอกยิ่งหิวยิ่ ง, งสุขภาพดีนะก็คือว่าให้ร่างกายมันได้พักในช่วงเย็นตอนเช้านี่ถือว่าเป็นช่วงที่ กระเพาะเนี่ยก็ทำงานเพราะนั้นก็เป็นเวลาที่เหมานะในการที่จะกินเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะเราก็ต้องอาศัยนะการที่เราจะต้องประมาณในการบริโภคการนอนนะเราก็รู้จักในการนอนมีการตื่นตัวนะมีการเจริญติญอย่างต่อนเนื่องนะตรงนี้เนี่ยนะก็ทำให้เรามีความตื่นตัวขึ้นมากนะก็มันก็มีหลักในการที่เรียกว่าชาคิยานุโยก นะก็คือการที่เรามีความตื่นตัวอยู่เสมอๆความตื่นตัวในที่นี้เกิดขึ้นจากการที่เรามีสตินาะมีสติในกิ จ, จวัตรประจําวันและก็ในรูปแบบของการปฏิบัตินะตรงนี้ก็จะทําให้เราสามารถที่จะดําเนินชีวิตนะไปอย่างพอเหมาะพอดีนะกับสัญชาตญาณที่ที่มันมีโดยธรรมชาตินะ แล้วก็ในส่วนของอความกลัวนะความกลัวเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเรื่องของสติเหมือนกันนะเราต้องรู้เท่าทันนะโดยเฉพาะไอ้ภัยที่มันเกิดขึ้นอย่างภายในก็คือความคิดเนี่ยนะต้องอาศัยสติเต็มที่เลยนะเราอยู่ในที่มืดมืดนะเราจะเห็นเลยว่าโอ้ไอ้ผีตัวจริงมันไม่ใช่อะไรนะคือความคิดมันมาหลอกเรานะสมัยที่ตะหมามาที่วัดป่าสุกโตครั้งแรกปีสองพยิบห้าเนี่ยนะ สมัยนะั้นเป็นป่าและเงียบมากเลยคนก็ไม่ค่อยมีนะมากราบหลวงพ่อคําเขียนตอนนั้นบวชพรรษาแรกแล้วก็ออกพรรษาและวนะไปอยู่กับหลวงพ่อเทียนที่วัดโมกนะแล้วก็มาอยู่ที่นี่โอ้วันแรกมานี่กลัวหน้าดูเหมือนกันนะกลัวผีนะไปอยู่ข้างบนนะ่ะน่าจะเป็นกุฏิสิบสิบสองหรือไงเนี่ยแถวนั้นนะ่ะตอนกลางคืนเนี่ยก็มี มันมืดมากอะ่ะมันไม่มีไฟฟ้าเนาะแล้วเราก็จินตนาการไปความกลัวนะมันมีตอนใกล้ๆจะนอนมันก็มีเสียงกอ ก, กแกลกอกแกลบนหลังคาเนีเ่ยเองใส่ผีจะมาหลอกแล้วมังว้งหวะอ่ะก็อะ่ะใจกา้าวหน่อยลองไปดูที่มันเป็นอะไรนะก็ไฟฉายไปส่องเอ้าลมมันพัดใบไม้กิ่งไม้นะมันก็เลยทำให้เราจินตนาการไปคิดไปกลัวไป พอเราเห็นความจริงเท่านั้นเองอ้อมันหลอกตัวเราเองนี่ะตรงเนี้เพราะฉะนั้นะตรงนี้เนี่ยการที่เรามาอยู่ในที่ที่เราไม่คุ้นเคยเนี่ยนะมันจะทำให้เราตื่นตัวได้เหมือนกันนะเคยได้ยินครูบาอาจารย์สายวัดป่าเนี่ยนะอย่างหลวงปู่มั่นเนี่ยนะท่านก็เลยบอกเหมือนกันนะว่ากลัวที่ไหนไปอยู่ที่นั่นนะเช่นกลัวผีแนละ้วอยู่ป่าชาเลยนะจะได้เห็น ผียจริงๆคือความคิดของเราที่มันจะหลอกนะตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่จะทําให้เรารู้ความจริงนะการรู้ความจริงเนี่ยก็อาศัยปัญญายา น, นั่นเองนะตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้นะจากสัญชาตญาณเราพัฒนาไปเป็นปัญญาญาณได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเรานะไม่ว่าจะเป็นกิจวัตรประจําวันอะไรต่างๆการกินการนอน ความกลัวนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เรียนรู้เราได้พัฒนาขึ้นมานะตรงนี้จะทําให้เราเกิดปัญญายาณขึ้นมาจากสัญชาติญาณเกิดเป็นปัญญายาณ น, นะที่จะทําให้เราสามารถที่จะมีชีวิตนะที่เป็นอิสระจากสัญชาติญาณ น, นะแล้วเราก็คงไม่ต้องไปทุกข์ร้อนนะกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะเหมือนกับ พวกแมวก็ดีนกก็ดีนะเราเจนเขากินอิ่มเขาก็นอนนะแต่บางทีเขาก็เล่นเล่นนะอันนี้เออมันธรรมชาติมันมันมันงดงามพวกนกเขาก็จะร้องเสียงเพล่ทีเดียวนะอย่างที่วัดป่าสุกโตเนี่ยอันนี้เป็นความรื่นรมอันหนึง่งตามธรรมชาติตามสัญตติยานนะซึ่งมนุษย์เราเนี่ยก็มีความรื่นรมอย่างนี้นะอย่างที่เราคงเคยได้ยิน นะเป็นนิทานเรื่องพระเจ้าสร้างโลกนะคงหลายคนคงเคยได้ยินแ ล, ะละ้วนละ่ะก็ถือโอกาสมาเล่าให้กับคนที่อาจจะไม่เคยได้ยินนะก็บอกว่าในครั้งแรกที่พระเจ้าได้สร้างโลกเสร็จขึ้นมานะก็ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมานะแล้วก็บอกว่ามนุษย์เนี่ยมีอายุ30มสิบปนะีมนุษย์ก็ถามมาเกิดมาทําไมมีหน้าที่อะไรนะพระเจ้าก็บอกเออเนี่ย เองช่วยดูโลกหน่อยนะโลกที่สวยงามเนี่ยนะทีนี้สร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วสร้างคนขึ้นมาแล้วก็กลัวคนจะเหนื่อยนะก็สร้างควายขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะควายก็บอกว่ามีอายุเท่าไหร่นะเขาบอกสามสิบปีเกิดมาทําไมมาช่วยคนไถนานะทำนํำนาปลูกข้าวควายมันก็อุทธรบอกไม่ไหวแล้วนะโอ้สามสิบปีเนี่ยขอเหลือ10ปีเถอะนะมนุษย์ก็ ไปยบเข้าไปใกล้แล้วไปก่อไอ้ยปีที่เหลือนะมาเป็นอายุของตัวเองซะอ่าก็มนุษย์ก็มีอายุเพิ่มขึ้นเป็น50ปิปีทีนี้นอกจากสร้างควายแล้วนะก็สร้างสุนัขขึ้นมาคนเราพอทำการทำงานมีทรัพย์สมบัติมันต้องมีคนเฝ้าใช่ไหมยก้สุนัขเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นเฝ้าเป็นตัวเฝ้าสุนัขในกลางคืนปกติมันไม่ค่อยนอนนะมันจะคอยดูนะ ให้มันมีอายุสามสิบปีมั้งงั้นพระเจ้าสร้างมันขึ้นมามันก็ถามว่าเอา้าเกิดมาทําไมอ่ะบอกเนี่ยไปเฝ้าสร้างสมบัติให้มนุษย์ดิให้คนดิโอสามสิปีไม่ไหวละขอเลยสิบปีกันละกันนะอา้าวสิบปีก็สิบปีไอ้ยี่สิบปีของหมาเนี่ยนะก็ปรากฏว่าคนก็ไปขอไม่อีกอายุก็เจ็ดสิบปีใช่ไหมสุดท้ายก็สร้างเป็นลิงขึ้นมา นะคนเราทำงานเครียดก็จะต้องมีความสนุกสนานให้ลิงมันเล่นตลกให้คนดูนะสร้างขึ้นมาแล้วบอกให้เมีอายุ30ปีเหมือนกันลิงบอกไม่ไหวแล้วโอ้สปีเล่นตลกไม่ไหวนะเอาเหลือ1ิปนะีคนก็ไปขออยีอ่สิปีของลิงเนี่ยามาซะนะคนก็อายุ90ปีนะเสร็จแล้วก็คนก็มีอายุ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะอายุช่วงแรกหนึ่งถึงสามสิบปีเนี่ยเป็นวัยที่เราเรียกว่าแทบจะไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยอะไรมากนักนะก็เรียกว่าวัยปรมจรรย์นะมีพ่อแม่เลี้ยงดูนะเล่าเรียนศึกษาศิลปะวิทยาพออายุเริ่มสามสิถึงห้าสิบนี่ททำงานอาบเหงื่อต่างน้ำเหมือนควายอะาะอายุควายมาใช่ไห พออายุห้าสิบถึงเจ็ดสิบอ่าทีนี้มีทรัพย์สมบัติและห่วงแล้นะคอยเฝ้าทรัพสมบัติพอแปอายุของหมามานี่นะพออายุเจ็ดสิบถึงเก้าสิบอ้าวทีนี้เริ่มหลงหลงลืมลืมแล้วนะเป็นตัวตลกให้กับคนในบ้านแล้วนะหลงนูน่นลืมนี่กินก็ว่ายังไม่ได้กินนะเรียกว่าแปอายุของดิงมาอันนี้ก็คือเป็นไปโดยโดยโด ย, โดยตามธรรมดานะ ทีนี้ผู้ที่ฝึกสติฝนะึกฝนมีธรรมะเนี่ยนะสามารถที่จะไม่เป็นอย่า ง, งานั้นไะด้ซึ่งตรงนี้ก็เกิดจากการที่เราฝึกฝนตัวเราเองอบรมตัวเราเองนะมีธรรมะอยู่ในจิตในใจของเรานะตรงนีนะ้มันก็จะทำให้เราสามารถที่จะอยู่เหนือสัญชาตญาณนะแล้วก็อยู่เหนือกิเลสขึ้นมาไดนะ้ซึ่งตรงนี้ มันจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยจากคนนะก็จะกลายเป็นมนุษย์คนมาละคนปนกันไปหมดนัวยุ่งเหยิงไปหมดมีสุขมีทุกข์ปะปนกันไปแต่มนุษย์ก็คือผู้มีใจสูงมาจากอมมะมะนะอุศยะบวกกับการมุศยะก็คือผู้มีใจสูงสูงจากอะไรสูงจากกิเลสตัณหาอุปทานนั่นเองนะซึ่งตรงเนี้ไม่ใช่วันนึกๆึกคิดคิดแล้วมันจะเป็น มันต้องผ่านการฝึกฝนอบรมผ่านการเรียนรู้นะในการที่จ ะ, อ, ะออกจากนะความคิดปรุงแต่งได้ออกจากกิเลสตานาอุปท า, านได้เนะส้นตรงนีนะ้เป็นโอกาสพิเศษของเรา ล, ลนะที่เราได้มาวัดป่าสุกโตได้มาเรียนรู้เรื่องนี้นะทุกเช้าทุกเย็นนะเราก็ได้ยินได้ฟังธรรมะนะสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วเราก็น้อมนาเอาไปปฏิบัต นะเพื่อที่จะให้เหล่านั้นนะได้มีความพอเหมานะพดีมีชีวิตที่สุขสงบเย็นนะและก็เป็นประโยชนนะ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะก็จะทำให้เราเรียกว่าการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะมันได้คุ้มค่านะและเป็นโอกาสพิเศษเลยที่เราจะทำได้เป็นเทวดานี่ปฏิบัติธรรมยากนะเพราะก็ติดสบายยิ่งถ้าไปเป็นสัตว์นรกเนี่โอ้หมดโอกาสเนี่ย เพราะฉะนั้นเราเป็นมนุษย์นี่เรารีบเลยนะอย่าไปมัวเพลิดเพลินนะกับสิ่งต่างๆที่มายุ่ยยวนให้เราเพลิดเพลินไปหลงไหลไปจะเป็นการกินการนอนการสืบพันนะหรือแม้แต่ความกลัวก็ตามนะตรงเนี้ยนะก็จะทําทให้ชีวิตของเรานั้นมีคุณมีค่าขึ้นมานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ในชาววันนี้ นในท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างอิงเอาคุณของพระสีรัตนไตรนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือสติสัมปชัญญะที่มีในตัวเราพระธรรมคือจะจรรมความจริงที่แสดงปรากฏนะอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันทั้งภายในทั้งภายนอกตัวเราพระสงฆ์ก็คือการประพฤติธปฏิบัตินะด้วยความศรัทธาด้วยความเพียรด้วยสติสมาธิและปัญญา ก็ขอให้ทุกท่า น, นาได้เข้าถึงซึ่งความสุขเกษมสารามีพระนิพพานในเร็ววันนี้โดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร